พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเอ็ดลำดับที่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้า้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่ายืมวันอยู่วันนี้เป็นวันที่สามพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบหก วันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนห้าพระทั้งหมดห้าสิบหกรูปวันนี้นาคหนึ่งพระขาวหนึ่งพระลมฉันสี่สบอ็ดงดฉันสิบสี่โอ้งดฉันมากวันนี้พระงดฉันสิบสี่รูปวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนห้า เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราถึงยัางไงก็ขอบอกกล่าวคณะสัตยาญาติโยมผู้สูงอายุาคล้ายๆกับว่าถ้าไม่สูงอายุก็จะตั้งอยู่ในความประมาทอยเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะไม่เป็นอะไรง่ายแต่ตามไม่จริงจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะคนหนุ่มตายก่อนคนแก่ก็มีมากต่อมาก เพรนั้นเราจะไปพูดว่าข้ายังหนุ่มแน่นอยู่ข้าไม่เป็นไรอย่าไปคิดอย่างนั้นชีวิตเหมือนกับน้ําค้างใบบัวพวกเราเคยเห็นแม่น้ําค้างอยู่ใบบัวเวลาลมพัดมาไม่รู้จะลมมาในทิศทั้งสี่ไม่รู้มันจะพัดมาทางทิศไหนพอลมพัดแรงๆพอใบบัวมันเอียงเท่านั้นแหละน้ําก็ไหลกลิ่งตกไม่รู้ว่ ทิศเหนือทิศใต้จุดแท้ะลมจะมาทางทิศไหนนี้ก็เหมือนกันน่ะชีวิตของพวกเราจะบอกว่าข้าพเจ้าอายุยังน้อยหนุ่มอยู่ข้าพเจ้ายังแข็งแรงอยู่ข้าพเจ้ายังไม่เป็นอะไรง่ายมีแต่คนแก่ๆนั่นแหะเหมือนกับต้นไม้อยู่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้คลองพร้อมที่จะโค่นลงได้ง่ายๆทุกเวลาทุกนาที ไม่รู้วันไหนเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นชีวิตของเราพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านกล่าวเอาไว้แล้วว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอันิจ้จรงเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าสั่งสั่งเสียพุทธบริษัทของพระพุทธองค์เพราะนั้นพวกเราได้มาศึกษา ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนเรามาพิจารณาดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วคิดดูแล้วเราก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้กล่าวได้ตรัสเอาไว้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันไม่ใช่ไม่ใช่เอาอระมงคลมาพูดให้กันฟากไม่ใช่มันเป็นเรื่องของจริงๆแต่โดยมากคนเราน่ไม่ชอบเอาของจริง แหไม่เอาของจริงมาพูดให้กันฟังออชอบของหลอกหลอกฮะหลอกหอกปล อ, อเจ้านี่สวยงามดีเนาะอายุถึงเก้าสิบปีถ้ายังสาวอยู่ฮะยังหน้าตายังสวยอยู่โอ้โหดูแล้วยังสวยงามแต่ในใจึอีกแก่จนพอแรงจะเข้าโลงพอแรงแล้วทำท่าพูดไป ไอคนที่ถูกเขายกยอปอปั้นในกะดีใจพระตัวเองจะเป็นสาวขึ้นมาฮห้แหอันนี้หละโลกมันชอบอย่างนั้นแหมโลกมันชอบอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราต้องมองดูตนเองเอมอย่างหลวงพ่ออินโอ้หลวงพ่ออินยังแข็งแรงดีนะขว่านแหที่ท้ทแท้หลวงพ่ออินมองหลวงพ่ออินอยู่เฮ้ย ใ, ใครจะไปรู้ยิ่งกว่าหลวงพ่ออิน อายุจะเข้าเจ็ดสิบแล้วขนาดนี้จะไปแข็งแรงได้อย่างไรเอาเถอะก็พอประทงังประทังไปเท่านั้นและพอทนไหวเป็นไงหลวงพอ่อสุขภาพหลวงพ่อก็บอกพอทนไหวแม่ก่อพอทนไหวจริงๆไม่ใช่ว่าจะกระโดดโลดเต้นขึ้นพระทิศพระจันทร์ไม่ใช่พอทนไหวพอไปไหนพอไปได้พอสืบอยู่เป็นวันๆไม่รู้่าวันไหนละ่ะ ถ้าว่าวันดีคืนดีมันล้มภพล้มภาพเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแบบกระทันหันมันพร้อมจะเป็นได้ทุกเวลาเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันยืมวันอยู่จริงๆยืมวันอยู่จริงๆนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเตรียมตัวเอาไว้เตรียมใจเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไป ให้สั่งสมให้ทาบุญเอาไว้ทาบุญนันคืออะไรไม่ใช่ว่าจะมาจังหารทุกวันมาทาบุญควักกระเป๋ามาทำบุญทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นการทาบุญมีมากหลากหลายถ้าคนมีปัญญาแล้วมีวิธีการทาบุญถึงเยอะแยะไปก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ ิติปิสโสภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือว่านโมตัสสะภาควโตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาควโตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธยายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งนะเออว่านโมอย่างเดียวเท่านั้นละไม่ต้องเอาอย่างอื่นว่าแต่นโมนั่นน่ะเออไม่ใช่นโมสามจบนะนโมหมื่นจบนโมแสนจบนโมล้านจบนอ่ะเฮ้เอาสิ นมโมตัสสะพะกัวะโตทำไมจึงว่านมโมข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมคนดีขอนอบน้อมอท่านผู้ดีขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสผู้หมดจดจากกิเลสจะผิดไปที่ตรงไหนนอบน้อมผู้ดีท่านผู้เลิศประเสริฐกว่า โลกทั้งหลายเพราะไม่มีกิเลสโลภโกรดหลงในพระไทยของพระองค์เพราะนั้นขาไปฆ่าไปเจ้าขอนอบน้อมพระภู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นนโมตัสสะปะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาแต่นโมอย่างเดียวนะเอาสินี่แหละอันนั้นก็คือคุณงามความดีเป็นบุญกุศลมหาศาลเพอเพยัง ได้บุญมากกว่าทำกระถิ่นมหากระถิ่นกองใหญ่ๆเป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านต่างหากเพราะเหตุไรเพราะเราทำออกมาจากใจจริงและจริงใจออกมาจากใจนี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินออกมาทนทีนจริงสร้างบุญไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นการสร้างบุญให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้ง บริสุดธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวานาทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้ที่ท่านเรียงลําดับขึ้นมาอันนี้ก็คือหนโมตสะปะกวาตวุอันนี้คือภาวานาเราภาวานายึดพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าในจิตในใจคือภาวานาทําใจให้นอบน้อมทําใจให้เป็นหนึ่งทําใจไม่ให้ปรุงฟงุ้งคิดไปทางอื่นะ นี่แหละอันนี้ก็คือการสร้างมาหากุศลอันยิ่งใหญ่ในจิตในใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ไปทําบุญข้าพเจ้านั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนแต่นอนอยู่ที่ไหนอยู่ตามลําพังกันนึกในใจพุทโธพุทโธหรือนมโมตัสะพระเขาวโตวุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะระบบพุทธังสรนงังคัฉามิธรรมังสรนงังคฉามิสังขังสรนงังคฉามิ ดูติยามปิพุทธทางดุติยัมปิธรรมมังดุติยามปิสังขังก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นหรือว่าพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวาานะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะบริกรรมด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอ่าอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองให้ข้าพเจ้ามีจิตใจร่มเย็นเป็นสุข การลดแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจตหาญาตโยมทุกๆคนนะประกอบคุณนามความดีเอาไว้ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าพวกเราทําคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีทําจิตใจของเราให้นิ่งให้สงบไม่ให้ปุง่งฟุงซ่านอยู่แล้วรักษาใจของตัวเองอยู่แล้วใจดวงนี่ละ่ะจะไปสู่ จุตินิรพานสวรรค์นิพานสวรรค์ชั้นพรมไปสู่ความพุนงามความดีใจตรงนี้แหละจะไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆที่จิตใจที่น้อมลำลึกถึงคุณงามความดีนี่แหละตัวนี้แหละจะพาไปแต่ส่วนร่างกายของพวกเราเนี่ยเท่าแก่ชราไปเรื่อยๆจากนั้นก็ถึงจุดจบจุดจบของชีวิตคืออะไรคือความตายฮะ พอตายเสร็จแล้วเนะี่ยเขาก็ไปเผาไฟทิ้งอเขาไปฝังทิ้งอแล้วก็เขาไปบรรจุในหงซุยสุดแท้แต่เขาจะเอาไปแล้วเถอะเราจะไปคิดมันเถอะเนี่ยมันตายแล้วจะทํำยังไงได้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอบางคนก็ไม่อยากจะคิดถึงความตายคิดไม่คิดก็ต้องตายแน่ๆแจะคิดไว้ดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคิดไว้ดีกว่า ถ้าคนที่คิดไว้นะั้นผู้นั้นคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนควรจะทําอะไรควรจะเสาะแสวงหาทรัพย์ควรจะหาเงินคําทรัพย์สมบัติควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรควรคิดไว้ดีกว่าเหมือนกับรถคันนี้แหละเมื่อเราได้รถมาใหม่เราก็ต้องคิดไปเละเออได้รถ ม, มารถรุลดลดคันนี้มันยังวิ่งฉิวได้อยู่ยังทําคุณประโ์ประโยชน์ได้อยู่เราควรจะ เอารถคันนี้นะหาทํามาค้าขายหาเงินถ้าเผื่รถคันนี้เสียไปหรือชํารุดไปเราก็จะพอมีเงินซื้อรถคั น, นอื่นต่อไปฮเราต้องคิดไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเนรถคันนี้มาแล้วขี่ตอนรอนตอนรอนตอนรอนตอนรอนไปตอนล้อนมา อ, อผลที่สุดก็เลยเออยางมันกศอสึกเครื่องมันก่หลวม อ, อผลที่สุดก็เลย หมดสภาพตัวเองเอ๊ทำไมขาคิดว่ารถคันนี้ได้มาแล้วคิดว่ามันจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายกลับมาตายออาอย่างนี้ทำไมมันตายวะอันนั้นแปลว่าขนโง่ตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนลูกศิษย์ของท่านตลอว่พวกท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะเพราะชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับเมล็ดงาอยู่ปลายเหล็กแหลมหรือน้ำกลิ่งอยู่บนใบบัวพร้อมที่จะตกหล่นไปได้ทุกเวลาเพราะนั้นขอให้พวกเรานะบริกรรมหรือภาวนาสั่งสมคุณงามความดีให้รู้จัก เมื่อเราอยู่ในสถานะไหนอยู่กับพ่อกับแม่ก็ให้รู้จักพระคุณของพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราควรจะตอบแทนพระคุณของท่านอย่างไร เ, เมื่อเราอยู่กับครอบครัว เ, เราควรจะให้ความอบอุ่นกับสามีภรรยาลูกหลานของเราอย่างไรไม่ใช่ว่าด่าทั้งวี่ด่าทั้งวัน เ, เหมือนกับตัวเองจะเป็น เจ้าของโลกจะไม่ล้มไม่ตายอย่างนั้นเออจะยึดทุกคนให้เป็นอยู่ในอํานาจของตนเองอย่างนั้นอออย่างนั้นมันคิดไม่ถูกนะมันคิดผิดแล้วนะ่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเพราะนั้นเราต้องกว้างขวางมีน้ําใจมีเมตตากับทุกคู่ทุกคนอควรจะสงเคราะห์ควรจะมีน้ําใจกับใครเ ม, เมื่อเราเป็นลูก เรามีฐานะพอที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านเท่าแก่ชราพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เหมือนกันสิ่งไหนที่จะช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ลูกหลานได้เราก็ช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ลูกหลานอย่าคำว่าอิจฉาพยาบาทอาฆาตอิจฉาคนนั้นคนนี้รักคนนี้เกลียดคนนั้นในจิตในใจถึงจะมี ก็จริงแต่ก็จะพยายามจะแสดงออกจนเกินไปถ้าแสดงออกเกินไปก็ทําให้ผู้อยู่ใกล้อึดัดเหมือนกันเพราะในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูอีกเหมือนกันนะผู้เฒ่าผู้แก่นะปู่ย่าตายายของลูกของหลานนะเป็นร่มร่มไสของลูกของหลานสรุปแล้วของหนทางของตนเองก็มองมองหาหนทางของตนเองไว้อยู่เสมอในทางโลกนี่ก็ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็มองประโยชน์ต น, น, นแล้วก็เรามองอีกเราจะไปยังไงต่อไปภายภาคหน้าประโยชน์ของข้าพเจ้าอัตหิอัตโนนาโถนะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างงั้นนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ฮเพราะนั้นเราในแลจะเป็นที่พึ่งของตนเรามีที่พึ่งเนื้ออยาง เราได้แสวงหาที่พึ่งหรือยังที่พึ่งของเราเราเตรียมพร้อมหรือยังฮะอันไหนที่เป็นที่พึ่งของเราเราได้พร้อมหรือยังเราได้แสวงหาสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่อุ่นใจมีหรือยังสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดนะต้องคิดไว้แล้วก็วันนี้หลวงพ่อเองจะได้เดินทางลงกรุงเทพนะคณะจตทาญาติโยมลูกหลาน แต่เรื่องวันกลับน่นคงจะไม่นานแต่วันนี้ทางมหาวิทยาลัยรามกําแหงเขาในมนลหลวงพ่อเทศวันพุ่งนี้ตอนเย็นหลวงพ่อคงจะได้ลงกรุงเทพนี่แหละภารกิจของหลวงพ่ออย่างว่าดนะ่พอไปได้ก็ไปสักต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแกชราไปแล้วก็ต้องหยุดรถมันช่วงไหนที่มันพอจะไปได้ไปไกลขนาดไหน แต่พอที่มันจะไปไม่ได้มันก็ต้องได้หยุดเพราะเหตุใดเพราะร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ทีอย่างไงพวกเราท่านทั้งหลายกณน่าศรัทธทาญาติโยมก็ให้หหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้ไม่ช่วยๆกันดูแลวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็เหมือนกันลูกหลานทั้งหลายบวชนาะมาในภพทศศาสนา ต้องประกอบคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทหลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่ก็ให้ทำเหมือนกับหลวงพ่ออยู่พอเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราเป็นสากยบุตรพุทธชินโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วจับไฟไม่ร้อนเคยมีไหม แล้วจับน้ําแข็งไม่เย็นมีไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่เราจะไปคิดว่าหลวงพ่ออยู่เป็นอย่างหนึ่งหลวงพ่อไม่อยู่เป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่อันนั้นแปลว่างโง่ะถ้ารอบคอบแล้วกันหลวงพ่ออยู่จับไฟก็ร้อนอจับน้ําแข็งก็เย็นเอถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ล่ะอจับไฟมันร้อนไหมร้อนอยู่ก็ร้อนไม่อยู่ก็ร้อนนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะนะหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ฮะพวกเราก็ต้องประกอบคุณงามความดีโดยสม่ำเสมอเชื่อกรรมเชื่อผล ข, ของกรรมกรรมคือการกระทำหลวงพ่อไม่อยู่เราก็ทําดีได้หลวงพ่อไม่อยู่เราทําดีได้ทําดีได้ทั้งสองอย่างทั้งอยู่แล้วไม่อยู่เหมือนกับจับไฟหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่จับไฟมันก็ร้อนทําความชั่วก็ชั่วอีกอย่างเก่า หลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่มันก็ชั่วได้ถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วพรนั้นให้เชื่อในกรรมในผลของกรรมนะลูกหลานทุกองคนะพระนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อจะสอนหรือไม่บอกจะบอกหรือไม่บอกจะกล่าวหรือไม่กล่าวอย่างไงก็ตามออย่ามีที่ลับอย่ามีที่แจ้งการสร้างคุณงามความดีการทําความชั่วนะอไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่อยู่ หลับลับปลอป อ, อแล้วก็ทําความชั่วเอขโมยนั่นบอกขโมยนี่ลักกินนั่นบ่กลักกินนี่ว่าทำสิ่งที่เป็นผิดหลักทำวินัยผิดต่อศีลต่อธรรมถึงจะขโมยหลวงพ่อไม่เห็นก็เถอะอพญายมพอบานเขามองดูแล้วไอ้ตานี่ยายเนี่ยไอ้พระองค์เนี่ยมันทําความชั่วได้ยังไงเอาขี้คลายหนังมาเน่ามาเขียนเสร็จหนังมาเน่าไว้แล้วเออ บันทึกเส้นหนังมาเน่าไว้ความชั่วนะถ้าว่าใครสร้างคุณงามความดีใครสั่งสมคุณงามความดีเอาแผ่นทองคํามาเนี่ยใบทองคํามาบันทึกข้อความใส่สลักใส่แผ่นทองคําเอาไว้คุณงามความดีบุญกุศลถ้าหากว่าใครทําความชั่วเนี่ยใส่บันทึกเส้นหนังมาเน่าเอาไว้เพราะเหตุไรเพราะมันความชั่ว ถ้าหนังมาเน่าไปถูกฝนเนี่ยพยายมไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะอะไรพอ่อวหนังมาเน่ามันจะเน่าใช่ตัวหนังสือมันจะเล็บใช่ไหมคนทําความชั่วก็เลยหายไปหมดเลย <c oughs> พยายมพอบานคงจะไม่เสอร์ถึงขนาดนั้นมั้งเนาะเพราะนั้นใครอย่าทํานะความชั่วนะถ้าไทยคำคำชั่วแล้วนะ่ะพยายมพ่อบ้า น, น่ะบันทึกเส้นหนังมาเน่าเอาไว้ะ วันนั้นกอให้พวกเรานะทำแต่คุณงามความดีให้พญาโยมพะบานบันทึกใส่แผนทองคาเอาไว้อย่าว่าใครไม่เห็นนะความชั่วนะกรรมชั่วนะ เ, เราเองเป็นคนเห็นทีแรกจากนั้นก็นนะ่ะกรรมคือการกระทำนะ่ะบันทึกไว้ทุกอ น, นุของแนวความคิดในความคิดยังไงนะบันทึกบันทึกไปแล้วเหมือนกับ เครื่องบันทึกคอมพิวเตอร์อย่างนั้นอะมันยิ่งกว่านั้นอีกนึกคิดเรื่องอะไรบันทึกไว้หมดนะี่ชีวิตทั้งชีวิตหลุ่มหลุ ม, ลมดอนดอนสูงสู ง, สงต่ำต่ำดีชั่วอย่างไงเขาบันทึกไว้หมดพอถึงข่าวสุดท้ายตอนตายมานี่นะชีวิตทั้งชีวิตของเจ้านี่นะกดทัชทัชทัทออกมาเนะจ้าทําความชั่วอย่างนี้อย่างนี้นะฮะ เจ้าทำคุณงามความดีอย่างนี้ๆ น, นะชีวิตทั้งชีวิตของเจ้าอันไห้มากกว่ากันนะเอาชั่งน้ําหนักดูเ อ, อถ้ามันหนักเอ้ยเจ้านะควรจะไปนรกไว้ไปโจนไปเล่นนรกก่อนยังค่อยขึ้นมาหาคุณงามความดีนะถ้าความชั่วมันมีต่มากกับมากใช่ไหมแอมก็ส่งลงไปนรกไม่เผาไม่ให้มันเข็ดซะก่อนออยังค่อยกลับขึ้นมาจะเป็นคนดีต่อไป เนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดนะกรรมชั่วและกรรมดีมันบันทึกอยู่ในใจของพวกเราทุกทุกคนนั่นแหละเพราะนั้นให้สั่งสมแต่คุณงามความดีอย่าไปทํากรรมที่มันไม่ดีกรรมชั่วอย่าทำถ้าทาแล้วจะทําให้ตนเองทุกยากเดือดร้อนเมื่อภายหลังรับพร อ, อนุโมทนาให้พร